ทั้งหลายอาการของปิติคนลุกขนพองวูบูบาบๆาบนะเหมือนฟ้าแรบแรบอะไรเงี้ยนี่เป็นอาการที่ใจมันทำสมถะก็ไปแช่ในอารมณ์นานานานแล้วจิตใต้สำนึกก็ทำงานปรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วแต่มันจะชอบบางคนปรุงเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้นะบอกว่าผีหลอกริงหลอกตัวเอง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 หล่คนเข้าใจว่าถ้ารู้รูปนามแล้วก็ถ้ามีอารมณ์รูปนามแล้วต้องเป็นวิปัสนามไม่จําเป็นนะทำวิปัสนาเนี่ยต้องใช้อารมณ์รูปนามต้องรู้อารมณ์รูปนามอันนี้แน่นอนจะไปรู้าอารมณ์บัญญัติหรือไปรู้อารมณ์นิพพานไม่ได้ไม่ใช่วิปันสนาแต่สมถะเนี่ยใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้กระทั่งอารมณ์นิพพานก็ใช้ทําสมถะได้นะพระริยะเจ้าทําสมถะโดยใช้อารมณ์รูปอารมณ์รูปนามก็ได้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 ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่สักแต่ว่าเคลื่อนไหวสักแต่ว่าเป็นธาตุมันรู้ด้วยใจรู้สึกเอาไม่ใช่คิดนะถ้าคิดใช้ไม่ได้มันรู้สึกเอาถึงความเป็นธาตุของร่างกายรู้สึกเอาถึงความไหวของร่างกายจะไม่รู้สึกว่าเราไหวหรือว่าธาตุนี้เป็นตัวเราเพราะาเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้แล้วฉะนั้นไม่ต้องบริกรรมนะไม่ต้องบริกรรมเมื่อไร่บริกรรมเมื่อนั้ น, น, นตกจากวิปัสสนาทันทีเลยอย่างเรา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 จะสภาวะในตําราจะหยับหยาบนะหยับหยบอย่างโทสะเนี่ยแยกได้ไม่กี่อย่างพองเราแยกได้เยอะเลยขัดใจนิดหน่อย<ม>ใช่หมโมโหจนเห็นช้างเท่าหมูเนี่ยมีดีกรีด้วยดีใจเสียใจแต่ละอันนะัจะกระจายออกไปโอ้มีเยอะแยะเยอะแยะเลยหัดรู้สภาวะเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดหัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่น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 วันหนึ่งวันหนึ่งเก็บไปได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะเหมือนเราโยนเพชรโยนทองให้ตะกร้าหนึ่งนะได้คนละนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เก็บไปเรื่อยเร่อยเดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วจะรู้ว่าง่ายที่สุดเลยโง่แท้ๆเลยที่ทําให้ยากอ่ะมันง่ายสุดๆเลยนะไม่ได้ทําอะไรอ่ะไม่ได้ทําอะไรนะเราหยุดความปรุงแต่งของจิตลงไปนะจิตมันหยุดปรุงแต่งเพราะมันฉลาดขึ้นมาแค่นั้นเอง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 ไม่ต้องกรชาติก่อนนะนะกรรมในขนาดที่ขับรถไปเข้าวัดนี่แหละนะจริงๆง่ายนะง่ายมากปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์ตามธรรมดาแล้วก็ปล่อยให้ใจเขาเกิดปฏิกิริยาตามธรรมดานะเช่นเห็นสาวสวยขึ้นมาใจมีราคะขึ้นมาก็รู้ไปว่าใจมันมีราคะใจตะกี้ไม่มีตอนนี้มีละ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 นะมันก็มาพันพันพั น, พนนะจับบีบปากให้อ้าปากเอาคีมคีบเนื้อนนกระทุ้งใส่หนึ่งก้อนสองก้อนเอาครบแล้วแกะแกะโยนไปธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันนะไม่ใช่ต้องทำเหมือนเหมือนกันตลอดเวลาหลวงพ่อชาเคยสอนนะให้ดูตัวเองจะกินแค่ไหนพอเหมาะจะนอนแค่ไหนพอเหมาะคาว่าพอเหมาะก็คือเกิดสติ เกสติบ่อยนะบางคนอดนอนแล้วซึมเสื่องคลนะ้ายๆผีตองเหลืองไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ไม่ดีบางคนนอนมากไปก็ไม่ดีต้องดูตัวเองบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดยืนนะก็ยืนเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งแต่ถ้าถนัดนอนต้องนั่งนะนะถนัดนอนไม่เอานะยกเว้นไปข้อนึ่งเถอะ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 จิตที่เข้าไปถึงขั้นตะลุมบอลมันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้มันทํางานอัตโนมัตินี้ท่านท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าพระนนเนี่ยยังราตรีสุดท้ายเนี่ยให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากอันนี้ถ้าอาจารย์อี่ธรรมฟังก็จะสะดุ้งอีกแล้วทําไมพระนนไปอยู่กับกายคตาสติฟังแล้วไปทําสมถะแต่ในกายคตาสติสูตรเนื้อหามันเป็นอันเดียวกับ กายานุปัสสนาสถิปัปฐานนะงั้นคืนสุดท้ายนั้นถ้านนรู้กายเป็นส่วนมากนะแล้วส่วนน้อยไปรู้อะไรตอบได้ไหมส่วนน้อยก็คือเผลอไปสินะเผลอไปบ้างจิตรวมเข้าหาความสงบบ้างเป็นระยะระยะระยะไปนะอันนี้ในคำภีไม่มีนะนี่สรุปด้วยการปฏิบัติเอา นิสติมันอัตโนมัติแล้วนี้ท่านเห็นว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปสังขยนาต้องนอนซะหน่อยต้องพักซะหน่อยท่านก็เอ็นตัวลงบอกเท้าไม่ทันพ้นพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนก็เป็นพท่ารหารันในพระไตรปิฎกไม่มีพูดตรงไหนเลยว่าท่านเห็นว่าพรุ่งนี้จะต้องไปสังขยนาท่านก็เลยเลิกปฏิบัติแล้วเดิมไปนอนไม่มีคําว่าเลิกปฏิบัติเลิกปฏิบัติมันเป็นความรู้สึกของพวกเราเองที่ชอบแบ่งชีวิตเป็นสองส่วน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 แต่อดทนฟังไปนะพอสติเกิดสัมมาส ม, มาธิเกิดขึ้นมาจะรู้ลง้ง่ายง่ายง่ายสุดๆง่ายที่ยากก็เพราะเราคิดมากคิดมากยากนานหลวงพ่อบอกคิดมากยากนานแต่ก่อนคนชอบหัวเราะนะนึนกว่าหลวงพ่อพูดเล่นมัจริงไม่มีพูดเล่นนะพูดแต่ละเรื่องเนี่ยตรงๆสภาวะทั้งนั้นเลยย่บอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวไม่ได้พูดเล่นนะแล้วไม่ได้ดูถูกใครด้วยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลง ถ้าไม่หลงก็เพ่งเอามันทำได้แค่นั้นเองทำอย่างอื่นไม่เป็นรู้ตัวไม่เป็นเบอ่์สองใจลอยไปทราบไหมเบื่์สองไหลแวบไปทีหนึ่งจะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องต้องทนท น, นะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วช่วงหนึ่งมีบางคนฟังเนกระทั้งตื่นขึ้นมาเลยก็มีตื่นเต็มเหนียวเลยนะหมายถึงได้ดีไปเลย เบอร์หนึ่งเป็นไงเบอร์หนึ่งช่วยส่งไปหนะ่อยเออเบอร์ยี่สิบเอ็ดอะเมื่อกี้พอดีโยมนี้บังเลยเห็นแต่เบอร์หนึ่งกเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะครับแล้วก็เคยมาไหมเคยมาอยู่ครับมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีสติรู้ตัวแต่ว่ามันรู้สึกว่าตัวเองเอมัน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 แต่ถ้ารหัส ด, ดูสภาวะนะโอ้สนุกการศึกษาธรร ม, มนะน่สนุกมากเลยมีความสุขด้วยสติเกิดก็มีความสุขนะเคย ร, รู้สึกไหมพอรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขรู้สึกบ้างอย่างรู้สึกไหมบางทีก็มีความสุขเฉยขึ้นมาเฉยเฉไม่ได้ทําอะไรใจอยู่ๆก็มีความสุขแป๊บขึ้นมานุมน่มๆโอ้สบายสติมันเกิดจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีความสุข จิตมีสมาธิก็มีความสุขจิดตั้งมั่นแต่จิต ท, ที่ตั้งมั่นก็มีที่ผิดเหมือนกันนะไม้ตั้งแช่นะผิดแน่นอนแนละ้วแต่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าตั้งแรงเกินไปก็ผิดจงใจตั้งก็ผิดอีกแล้วเป็นการที่หลวงปู่ดูลิ้นเรียกว่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ต้าตั้งนุ่มนวลสบายเนี่ยสภาวะเหล่านี้มีมากมายนะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนทําไมหลวงพ่อไม่รวบรวมลดสอนทีเดียว เราจะมองไม่เห็นเวลาเราทำกรรมฐานเราจะค่อยๆเรียนไปแล้วเราก็รู้จักสภาวะเพิ่มขึ้นทีละอย่างสองอย่างค่อยๆเรียนไปอย่างใจที่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งแข็งไปก็มีนะตั้งคอดีก็มีของคุณเบอร์21่ะมันตั้งแข็งเกินไปนะมันตั้งแข็งเกินไปค่อยๆหัดสังเกตไปนะว่าทำไมหลวงพ่อบอกว่ามันตั้งแข็งเกินไปไปหัดสังเกตเอา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 นันเรื่องสมาธิก็เล่นมานานแต่ไม่เกิดปัญญาเห็นพวกเรารุ่นหลังๆมองตามไปพักพวกที่เดินตามมาข้างหลังจํานวนมากเลยติดสมาธิที่น่าอัศจรรย์ก็คือพวกที่มาจากสำนักที่บอกว่าทํำมิปัสสนานั่นแหละติดสมาธิเยอะนะนี่เรื่องน่าอัศจรรย์เลยนี่พอมหัธรรมมิปัสสนานะอายุ29แล้วไปหาหลวงปู่ดูลยี่สิไปหาหลวงปู่ดูล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 อัจฉริยะในรอบหลายร้อยปีมาเกิดแล้วหวพ่อจ้าเอกครับเฮ้ยนี่มันภาวนาไม่เป็นีน่ชมันเขาไปได้ยังไงโอ้โ oh, หประโยคนอย่างนี้นะภาวนาไม่เป็นนะให้หัดเจริญสตินะยังทำไม่ถูกหรอก <c oughs> <c oughs> โกรธมาตลอดเลยโกรธคล้ายๆเรื่องอะไรนะมาขันที่ยา <c oughs> <c oughs> <c oughs> โกรธ โ, โอ้สอนกรรมฐานมันยากนะเราสอนด้วยใจซื่อๆตรงๆน่าหวังให้ได้ประโยชน์จริงๆบางคนมันโกรธนะโกรธ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 บังคับเขาไม่ได้ เ, เขาไม่ใช่ตัวเรานี่ดูไปเรื่อยอย่างเนี้ยโอ้ง่ายตายไปเบอร์ยี่สนะิบเอใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมหากอย่างนั้นนะและอิโนโอมู้หญิงเนี่ยหันไปหัวเราะเขา่ลืมตัวเองอะ่ะรู้สึกเปล่าโน่นผู้ชายที่นั่งถัดไปนะั่นทําอะไรอยู่ตอนเนี้นยนะนั่งส่งไม้ไปเนีเนี่ยที่นั่งติดกย่คุณนะั่นแหละเมื่อกี้นี้ทําอะไรนึกออกไหมนะหลงไปนะ อามิงส่งไป mm hmm. เห็นไหมตอนที่ส่งไมล์เนี่ยเราลืมตัวเราเองเราลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหม เ, เรียนกรรมฐานเรียนอย่างนี้นะหัดดูสภาวะไปเมื่อกี้หนีไปคิดแวบหนึ่งดูออกไหมหลายแวบไปคิดเฉยๆเนี่ยไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมหัดดูไปอย่างนี้หัดดูไปเบอร์ยีอย่าคิดมากคิดมากยากนานาลงไปในโลกของความคิดหัดรู้สึกไว้อ้าวมิมง วันนี้เป็นไงจิตใจ อ, อบังคับน้อยกว่าเช้าเมื่อวานคะ่ะแต่แล้วก็น้อยกว่าเมื่อวันอังคารคะ่ะวันอังคารบังคับตอนสายบังคับมากอออืจู้จู้ส่งมาข้างนานหน้าเลยพาแม่มานี่ก็พวกชวนป่วยปี่แบรก็ <c oughs> เลี้ยงแม่ครั <c oughs> หน้ายงย่อง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 ตรงเผลอไปก็สุดโต่งไปข้างชั่วเรียกว่ากามสุภาริการุโยกตรงที่รู้สึกตัวนี่ใช้ได้ดีตรงที่เพ่งนี่สุดโต่งไปข้างบังคับเรียกอัตตะกิลมัฐานุโยกนักปฏิบัติก็คือนักทาอัตตะกิลมัฐานุโยคนั่นเองส่วนมากบังคับเกือบร้อยละร้อยนะหลวงพ่อพูดอย่างสุภาพนะจริงๆพันคนจะหารู้สึกตัวสักคนก็ยากแล้วเอาใครจะคุยอะไรเชิญ อหวานมากไปอะใครส่งไม้หน่อยสั้นๆหวานคุยยาวเดี๋ยวจิตเสียเอาสั้นๆเวลาคุยก็เสียอยู่แล้วเจ้าค่ะกล <c ười> ัวหลวงพ่อเจ้าค่ะเอออย่า ก, กลัวหลวงพ่อ <c ười> เลิกกลัวได้แล้วมาตั้งนานแล้ว ค, คือเ อ, อโยมสังเกตว่ามีบางมีวันหนึ่งเจ้าค่ะที่โยมรู้สึกว่าพอโยมรู้ความรู้สึกแล้วมันจะตัดตัดตัดตั ด, ตดมัน ตัดแล้วบางทีก็ลืมไปเลยว่าตะกี้รู้สึก ย, ยังไงไม่เป็นไรน ะ, ะไม่เป็นไรถูกต้องแล้วค่ะแต่อันนั้นมันเป็นเพราะว่าเรามีสติหรือว่าเพราะว่าเราไปรู้ผัสสะอื่นเจ้าคะสติเนี่ยเป็นตัวที่ระลึกรู้สภาวะธรรมที่กาลังปรากฏถ้าเมื่อไหร่มีสติขึ้นมานะเรื่องที่คิดอยู่กะดับดับอัตโนมัตินะเพราะขณะที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติ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 ไม่มันก็วางว่างว่างวางวางวงแต่อย่าอย่าไปนอนอยู่ในความว่างค่ะแต่ว่าจะเห็นว่ามีความคิดเข้ามาเรื่อยเลื่ื่แล้วก็ว่างอย่างนั้นเนี้ยตั้งสังเกตไหมความคิดกับว่างสลับกันใช่จ้ะมีความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความว่างขั้นอยู่เดี๋ยก็คิดใหม่อย่างนั้นไม่แน่ใจว่าโยมตั้งใจแบบจนเกินไปหรือเปล่าสังเกตง่ายๆถ้าตั้งใจเกินไปใจจะแข็งแข็งแน่นแถ้าใจปลอดปลงร่งเบานะใช้ได้ S <S ไม่ได้จงใจถ้าจงใจเราจะแข็งแข็งแน่นแน่นหนักหนักแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งพอยมอมเข้าไปรู้<น>ความรู้สึกใช่ไหมเจ้าคะจะเห็นว่ามีตัวที่อยากดูยมก็รู้สึกความอยากดูมันก็กกวา่างไปเลยเจ้าคะถูกต้องเลยอย่างนั้นนะความอยากดูกาําลังบงการพฤติกรรมเราอยู่แม้ <S <S ดูตัวที่กําลังบงการพฤติกรรมเราโดยเฉพาะพฤติกรรมทางใจเพราะตัวที่บงการพฤติกรรมทางกายคือใจของเราเนี่เอง แต่ว่าอะไรบงการใจแล้วโยมก็นอนไม่หลับอหรเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ง่วงไม่โซมก็ใช้ได้โซมเจ้าค่ะโซมเหรองั้นต้องไปหายามากินแล้ว ะ, ะหวานวันนี้จิตใช้ได้สบายกว่าคราวก่อนก่อนค่ะเออมีคนเข้ามาดูเอาไปแล<ด>้วเอาไปแลเ้ลเลดี๋ยวเสียหมดพ อ, ะอละลงไป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 พุโทโธพุธโทโธใจชักสึมสนะืมแล้วรู้ว่าสืมพุโทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการหัดรู้จิตรู้ใจเป็นด้วยอย่างนี้ทำให้สติเกิดง่ายด้วยเพราะจิตมันจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึน้นเห็นสภาวะบ่อยใจลอยแลหวหวานอ้านายเทสไม่มีอะไรถามแล้วครับรู้แจ้งแทงตลอดยังครับ อ่าอย่างนี้ก็ได้หาเรื่องได้แล้วดีใจรู้ไหมว่าดีใจครับอยากพูดแล้วรู้สึกไหมมีแรงดันขึ้นมาในห น, น้า อ, อกครับเบาลงแล้วครับดูไปมันดู飒พูดจนได้เลย ค, คือเห็นไหมเห็นไห ม, ไมเบาแล้วเห็นว่าอึดอัดอยากพูดครับเมื่ออยากพูดนะแล้วไม่ได้พูดแล้วอึดอัด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 มาส่งนะมาเรียบเรียงถ้อยคํามานะก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ถือว่าสอบผ่านแล้วทีนี้จะทํายังไงให้ได้รู้ว่าเป็นกลางจริงๆออนะครับอาจารย์ที่สับตกเลย <c oughs> <c oughs> จะทํำยังไง ร, <c oughs> รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นรู้ไปแล้วใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะ <c oughs> ยกตัวอย่างชังความสุขเกิดขึ้นใจเราพอใจยินดีพอใจให้รู้ว่าพอใจ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 เช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นว่าทํายังไงจะหายความสุขเกิดขึ้นก็ดิ้นทํายังไงจะอยู่นานๆอยากปฏิบัติก็ดิ้นนะกำหนดโน้นกําหนดนี้ใหญ่เลยนั้นก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาอีกไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยนะอยากได้มรรคผลนิพพานนี่ง่ายๆสุดๆเลยให้รู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจพระเจ้าสอนแค่นี้เองวิธีรู้กายรู้ใจจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าไม่สุดโต่ไปสองข้าง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 โยนไปนทิ้งไปลงไปนอนทีหนึ่งได้ไหม <N> นอนลงไปตรงนี้เลยนอนเลยเออนอนเล่น <N> ๆเลยเออนั่นคุยกับหลวงพ่อไวปหลุดไปบ้างบางส่วนแต่ไม่หมดดูออกไหมตอนนอนลงไปไอ้ตัวที่อัดๆไว้มันกระจายออกไปหน่อยเพราะมันมันตึงเกินไปมันตึงเกินไป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 เราหลายคนไม่รู้เราคิดว่าต้องรู้ตัวได้ชัดๆถึงจะดีเช่นหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนีย่ยพยายามเร้าความรู้สึกนะให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะนึกว่าดีไม่ดีนะผิดธรรมดาจิตใจจะหาความสุขไม่ได้เลย เ, เบอร์ 21, อ ย, อย่สบเอ็ดเขายังช่วยละจิตใจมีความสุขกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมตอนที่ก่อนที่หลวงพ่อจะคุยด้วยนั่นแหละตึงเกินไปเร้าความรู้สึกมากเกินไป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 โยมนึกออกใช่ไหมไปดัดมันดัดแปลงมันอีกแค้นให้นิ่งเให้รู้ทันนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันได้นะมรรคผลนิพพานมันก็มีหวังหรอกแต่ถ้าไปติดทื่อๆ อ, อยู่นะยังไม่ได้หรอกอยู่ไกลเพราะว่าเราทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเขาบอกอย่าบังคับตัวเองอัดต่กิลมะฐานวิโยกกดข่มตัวเองเราขม่มนึกออกอยังถ้ามันขม่มข่มกัรู้ไม่เหมือนกันนะ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 อย่างนี้ดีนะตรงที่ขยับทะเกียบเพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเอออย่างนี้พอพอรู้เรื่องแล้วรู้สึกไหมจิตเราสว่างรู้สึกไหมจิตเราเบาเนี่ยที่ใจใจมันจะไม่ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราสงบสะอาดสว่างนะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหมบังคับแล้วทราบไหมเริ่มทําตัวเรียบร้อยอีกแล้ว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 จงกระทั่งยอมรับความเป็นธรรมดาของเขาใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาใจจะอยู่กับธรรมดาที่สุดเลยวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมกลับบ้านไป